การคำนาคมก็เลยต้องอาศัยคลองแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ท่ากเกษมหรือที่เรียกว่าท่าน้ำวังหน้าเทเวศนะคะของสมเด็จกรมพระนครสวรรค์วรพินิษมาจนถึงวัดอินทรวิหารตรงหน้าคุติหลวงปู่ภูท่านพระครูธรรมานุ ก, กูลจันทเกสโรซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดอินทรวิหารแลวก็ปัจจุบันนี้เป็นโรงเรียนประส า, านวัดอินทรวิหารไปแล้ว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 คุณแม่ก็คล้อยตามด้วยเพราะว่าแม่บอกว่าคุณาพิสมัยเนี่ยอยู่กับนอ้อยแล้วก็คบกันมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นรวมเวลาก็20ปีกว่าแล้วและก็เป็นเพื่อนที่รักกันมากไม่เชื่อที่จะเลิกคบกันเพราะเรื่องเงินไม่กี่พันบาท